โมฆะบุรุษการกระทำของเธอไม่สมควรไม่คล้อยตามไม่เหมาะสมไม่ใช่กิจของสมณนะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำโมฆะบุรุษฉะนั้นเธอจึงได้กล่าวสรรเสริญการให้เบรย์ความใข่ของตนต่อหน้ามาตุคามเล่าโมฆะบุรุษเราแสดงธรรมโดยประการต่างๆเพื่อคลายกำหนัดมิใช่เพื่อความกาหนัด